สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตประยุตูตอนที่หนึ่งร้ยห้าสิบสองเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าตอนที่หนึ่งนะครับในตอนที่หนึ่งนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความคิดเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวพันมาสืบเนื่องจากเรื่องของคาอุปมาที่เราได้ศึกษาไปเป็นเวลาถึงสิบวันด้วยกันพี่น้องครับจากที่ผ่านมาสิบวัน สิบครั้งนะครับเป็นเวลาหลายร้อยนาทีเราพบว่าแผ่นดินของพระเจ้ากับแผ่นดินสวรรค์คําสองคํานี้มีปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพอย่างยิ่งพระกิติคุณนะครับแต่พระกีติคุณนี้ผมได้เคยเรียนให้พี่น้องทุกท่านทราบแล้วว่ามีพระกิติคุณสามเรื่มแรกครับก็คือมัตติวมาระโภและลูกา ซึ่งเราเรียกว่ากิตติคุณพ้องนะครับกิตติคุณพ้องพอผ่านไม่โทออ ง, อองพ้องนะครับก็คือเป็นการพรีเซนเทชันหรือการนำเสนอพระกิตติคุณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเยซูในเชิงของความพ้องนั้นหมายความว่าอยู่ในมุมมองเดียวกันนะครับส่วนในพระธรรมยอหนั้นแตกต่างออกไปเพราะว่าพระธระรมยอนั้นอภรสาวกหรืออภรรทูทยอนนั้นท่านได้ พันหรือนําเสนอในเรื่องราวชีวิตของพปยซูนั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราเห็นว่าพระกิติคุณคุณพ้องสาวเริ่มแรกนั้นจะมีการอ้างอิงนะครับอ้างอิงไปอ้างอิงมาเสมอสามารถที่จะจับประเด็นหรือจับเนื้อหาสาระต่างๆที่ผู้เขียนพระกิติคุณพองนั้นเขาพยายามนําเสนออยู่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงเป็นที่มาของคําว่ากิติคุณพอง จากรายละเอียดในกิตติคุณพ้องทำให้เราเห็นว่าคำสองคำก็คือแผ่นดินพระเจ้าหรือ kingdom of God และแผ่นดินสวรรค์นะครับมีลักษณะการใช้ที่เหมือนกันครับพระกิตติคุณมัทธิวใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์ในพระกิตติคุณมัทธิวนั้นประมาณสามสิบสองครั้งแะใช้คำว่าแผ่นดินพระเจ้าเพียงสี่ครั้งเท่านั้นแสดงว่ามัทธิวนั้นมีความปรารถนาหรือมีความมุ่งหมายในใจ ในการที่ใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์ในขณะที่ภรกิติคุณมาร์กโกและลู ก, กามักจะใช้คำว่าแผ่นดินพระเจ้าซึ่งใช้จำนวนถึง14ครั้งและ32ครั้งในมาร์กโกและลู ก, กาตามดัชท์และไม่มีการใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์ในภระกิติคุณมาร์กโกและลู ก, กาเลยพี่น้องรับใช้แต่แผ่นดินของพระเจ้า อันนี้เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากนักวิชา ก, การที่ได้ศึกษาเป็นปีและรวมรวมออกมาจากตรงนี้นี่เองนะครับทําให้เรารู้ว่าลักษณะการใช้คำสองคํำนี้ในพระกริติคุณพ้องนะครับก็จากการเปรียบเทียบคําพูดของระเยซูในเหตุการณ์เดียวกันครับอย่างเช่นพระกริติคุณมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อยี่บสามเปรียบเทียบกับมราบระโกบทที่สิบข้อยีิบสามและลูกาบทที่สิบปดข้อที่ยี่บสี่ พูดถึงเรื่องราวเดียวกันครับมัตติวบันทึกคำพูดของพระเยซูดังนี้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากในขณะที่มราระโกบันทึกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนะลูกาบันทึกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนะมัตติวยังบอกต่อไปนะครับว่า เราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอูจะลอดลูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีที่เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าจากการเปรียบเทียบทําให้เราเห็นว่าพผู้เขียนพระกิติคุณนั้นใช้คำสองํานี้ทดแทนกันครับและคํำสองคานี้มีความหมายที่เหมือนกันภาษาอังกฤษว่า interchangeable interchangeable แปลว่าสามารถที่จะเอามาแทบทดแทนกันได้ใช้คําว่าแผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินของพระเจ้านะั้นทดแทนกันได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับ เราจะดูกันครับว่าคําว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีคนคนหนึ่งครับชื่อว่าวิลเลียมบาเคลบาร์เคลนั้นได้ให้เหตุผลที่ดีเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินสว่างและแผ่นดินของพระเจ้าในเรื่องของเหตุผลการใช้นะครับในสองลักษณะด้วยกันคือสําหรับคนยิวที่เก่งขัดพวกเขานั้นไม่เอ่ยนามบริสุทธิ์ของพระเจ้าผ่านริมฝีปาก ของเขาทั้งนี้เนื่องจากพวกเขามีความนับถือในพระนามอันบริสุทธิ์นี้และจะพยายามใช้วิธีที่เหมาะสมที่จะหลีกเลื่ยงและไม่เอ่ยนามนี้วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะไม่เอ่ยพระนามของพระเจ้าก็โดยการกล่าวถึงสวรรค์เป็นการทดแทนพระกิตติคุณมัตถิวมีความเป็นยิวมากที่สุดเมื่อเทียบกับพระกิตติคุณเรื่องอื่นๆครับเพราะฉะนั้นมัตถิวผู้เขียนจึงพยายามหลีกเลี่ยงที่ไม่เอ่ยนามพระนามของพระเจ้า เนื่องเรื่ความนับถือแต่ที่สําคัญก็คือว่าได้มีการบันทึกอธิบายนะครับสืบเนื่องมาจากบัญญัติสิบประการครับพระบัญญัติสิบประการของคนยิวโดยโมเสสนั่นเองเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าก็ไม่ใช้คำวาพระเจ้าครับขันมาใช้คําว่าแผ่นดินสวรรค์แทนนะครับด้วยความเคยชินอัอนนี้เป็นความเห็นและเหตุผลของวิลเลียมบัตเล่ซึ่งเป็น นักวิชาการกร็จะเตียนที่มีผู้คนเขาก็พูกยองและได้แต่งหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าคําจํากัดความของคําว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นหรือแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรคําว่าแผ่นดินนะครับหรืออาณาจักรนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า kingdomkingdom Kingdom นี้ภาษาไทยสบายมากครับเราเข้าใจเพราะว่าเรียกว่าเป็นราชอาณาจักรครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นเรียกว่า kingdom of Thailand แปลว่าอะไรครับราชอาณาจักรไทยหมายความว่าแผ่นดินนี้อยู่ภายใต้การปกครองของพระราชานะครับในภาษากรีกนะครับคําว่าแผ่นดินหรือราชอาณาจักรหรือ kingdom นะั้นมาจากคําว่าบซ s i l i a ซึ่งเป็นคําที่ใช้ในเครื่องพีใหม่ครับ basilia b a s i l e a. A s i l e a บซ s i l i e a ซึ่งเนภาษากรีกนะครับเป็นคํา ในต้องมีใหม่ที่มีความหมายนะครับสอดคล้องกับในภาษาฮิบรูนะครับก็คือคําว่ามา l k u มาคุ k m-a-l-k-u-t-h มา l k u t H, uth, นะครับและคําว่า m a ค k u t a ในภาษาอารเมร่ที่นะครับผมไม่ได้มาสอนภาษาฮิบรูภาษาอารเม่ครับหรือภาษาปีแต่ว่าคําพวกนี้ครับเป็นคำสังส่งขันมากเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเสียงจากถือบานะครับ เราจรึงควรจะมีความรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องครับคาที่ใช้ว่าเมารคุดนะครับใช้ในพิองพีเดิรเพราะพ้องพีเดิรมันเก็่ยมในสาหิบรูโดยปกติแล้วจะใช้ในลักษณะของบริบทเกี่ยวข้องกับอํานาจการปกครองทางการเมืองนะครับอํานาจการปกครองทางการเมืองพี่น้องครับในขณะเดียวกันครับก็ใช้อธิบายถึงลักษณะแห่งสิทธิอนานาจหรืออํานาจแห่งการปกครองของพระผู้เป็นเจ้าด้วยหรือพ ร, พระเจ้าคือพระเยโฮวา นะครับซึ่งอยู่ในฐานะของเมเล็กนะครับแปลว่าคิงหรือกษัตริย์นะครับยกตัวอย่างเช่นคาหลายคําที่เรามักจะคุ้นเกิดครับตาบีเมเล็กนะครับนั่นคือกษัตริย์นะครับที่ของกษัตริย์กษัตริย์อาบีนะครับอันคือภาษาขีปุรูครับพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทําให้เรารู้จากความหมายของว่าเมัลคุดนะครับหรือเมเล็กซึ่งแปลว่ากษัตริย์หรือแปลว่าการครองอำนาจหรือแปลว่า ราชนาจักรนะครับหมายถึงกับอํานาจการปกครองของกษัตริย์นะครับหรือพระราชานะครับไม่ได้หมายความถึงอาณาจักรซึ่งเน้นอาณาเขตนะครับแต่เน้นเรื่องของอานาจการปกครองครับเน้นถึงอํานาจของการปกครองสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความหมายสูงนะครับเป็นความหมายมากทีเดียวนะครับมีผู้กล่าวนี้ครับว่า อำนาจการปกครองสูงสุดของกษัตริย์หรือเรียกว่าคิงรีรูนะครับคิงรีหรือการปกครองแบบพระราชานั่นเองนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงการครอบครองหมายถึงอำนาจการปกครองสูงสุดก็เรียกว่าซ o so v e r e i g n t y นะครับเพราะฉะนั้นจากคําว่าแผ่นดินนะครับหรือรากฐกากนั้นหมายถึงอะไรครับหมายถึงการปกครองของพระเจ้าหรือการที่พระเจ้าเป็นผู้ครอบครองในฐานะพระราชาหรือกษัตริ์นั่นเอง นะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เราอธิษฐานนะครับทุกๆวันว่าขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่าขอให้การครอบครองหรือขอให้พระราชอำนาจของพระเจ้าครอบครองอยู่นะครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ครับมาตั้งอยู่ในโลกนี้ก็คือเราอธิษฐานว่าขอให้การครอบครองหรือพระราชอำนาจของพระเจ้านั้นลงมาอยู่ในโลกนี้ พี่น้องครับโลกนี้นั้นได้สูญเสียครับสูญเสียความดีงามสูญเสียอํานาจการปกครองของพระเจ้าเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะว่าตกอยู่ในมือของมารซาตานครับพระเจ้าอนุญาตให้มันเป็นเจ้าโลกอยู่ชั่วขณะหนึ่งและเมื่อถึงเวลาวันที่ภากษาในนางคตพระเจ้าพระเยซูจะเสด็จมาเป็นผู้ภากษาครับแต่เมื่อพระเยซูทรงเป็ภากษานั่นแหละครับเป็นดินของพระเจ้า แผ่นดินสว่านั้นก็จะมีหรืออยู่ใต้ตอำนาจการปกครองสูงสุดของพระเยซูพระเจ้าแต่พระองค์เดียวอย่างสิ้นเชิง น, นี่คือความหวังใจและเราทั้งหลายเป็นกุญแจสําคัญครับในการขยายแผ่นดินของพระเจ้านั่นคือการประกาศข่าวประเสริฐประกาศความรักความรอดของพระเจ้านําผู้คนให้เข้ามาถึงแผ่นดินของพระองค์อาเมน